ทางกองบินที่23กํากำหนดการจัดงานสมโพธพระพุทธณภาดุลยศาสดาอากาศนาวามงคลครบรอบ25บปีประจำปีพุทธศักราช2557ณบริเวณวิหารพุทธณภา กองบิน23อเอเมืองจอมรอดอนธานีนับว่าเป็นวันมงคลพระสงฆ์ได้มาฉันพระทหารสวดพระปริตะมงคลจบลงสักครู่นี้ได้สวดพระมงคลเพื่อเป็นชิเพื่อเป็นมงคลที่ครบรอบ25ปีถ้าหากว่าเป็นคนเราก็เป็นเนบญจเพศครบ 25ปีไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่เมื่อกี้ในหลวงพ่อได้ยิ น, สนเสียงเครื่องบินบินขึ้นมาในหลวงพอ่อดันรึกถึงสมัยหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดปี 2515-16 ในช่วงนี้แหละสอบห้าสตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ปี2องนอะอแล้วก็เครื่องบินไอพ่นอยู่ที่กองบินของเราเนี่มันผ่านที่วัดป่าบ้านตาดเสียงอย่างนี้แหละ แน่นัแน่นตลอดไม่มีกลางวันกลางคืนบางทีกลางคืนบินมาจนสะดุ้งเลยแต่มันเสียงไอพ่นตัวลําใหญ่ๆ ส, สีเครื่องยนต์แล้วก็มีลูกมันข้างละสี่เป็น8ดตัวที่มันบินขึ้นเพอมันตัวแม่มันวินขึ้นบนขึ้นไปแล้วก็ตัวลูกก็ตามหลังลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังคงจะยังไม่เห็นหลวงพ่อเห็นแหละสมัยนั้นโอ้อยู่ที่สนามบินอุดอรเนี่ยคนเน่ยคึกคัก มากมายเลยข่าวนั้นในพอมานั่งอยู่ที่นี่หลวงพ่อได้ยินเสียงเครื่องบินเน่ะผมหลวงพ่อระลึกล้ำลึกถึงได้โอ้สมัยหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดปา่าบ้านตาเนี่ยเสียงเครื่องบินมันขึ้นอย่างนี้แนหะแต่มันรังกว่านี้นะรังแน่นแน่นหน้าอกเลยแล้วกันเด้อเสียงเครื่องบินสมัยนั้นนะ่ะแต่ก็ลึกผ่านไปแล้วแต่ทีอยังไงก็ตามนั่นในยุคสมัยนี้บ้านนี่ยยุคปัจจุบันขนาดนี้ หลวงพ่อเองในฐานะเป็นพระป่าพระดงอยู่ในป่าดงพงไพก็อดนึกห่วงบ้านเมืองไม่ได้เหมือนกันนะคณะชาต า, า ญ, ญาติโยโยมนะโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งสามเหล่าทัพของเราเนี่ยนะบกอากาศเรื อ, อ, อแล้วก็พี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกหมู่ทุกเหล่าแต่ถึงยังไงก็ขอให้เคียงบา่าเคียงไหลเพื่อรักษาปกป้องประเทศชาติของพวกเรา เพราะว่าประเทศชาติชาติไทยของเราอีกไม่กี่ปีปีหน้านี้ก่อนเนี้ยจะเข้าประชาคมอาเซียนซะแล้วทหารของเราเข้มแข็งส่วนรัชการทุกหมู่ทุกเราเข้มแข็งแต่หลวงพ่อนี่ก็จะเข้มแข็งเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเข้มแข็งแต่คณะสัตธาญาติโยมนะหลวงพ่อเนี่ยจะคิดดีทําดีพูดดีพูดง่ายง่าหลวงพ่อเนี่ยจะเป็นพระที่คิดดีพูดดีทําดี ยังไงจะจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมต่อประเทศชาติบ้านเมืองหลวงพ่อจะทำอย่างนั้นให้ดีที่สุดคิดให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดพูดให้ดีที่สุดแล้วก็พี่น้องประชาชนทหารสามเหล่าทัพวันนี้ได้มาฉันอยู่ในเหล่าทัพทหารอากาศหลวงพ่อก็ขอฝากประเทศชาติบ้านเมืองไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านด้วยเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ย ที่ผ่านๆมาปีสองปีก็เป็นที่รู้กันบอบช้าพอสมควรแต่บัดนี้ก็มาถึงพวกเราท่านทั้งหลายก็ช่วยกันดูแลพัฒนาให้แข้มแข็งสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อชาติบ้านเมืองก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเคียงบา่าเคียงไหลเพื่อปกป้องประเทศชาติให้ชาติไทยของเรา ในเมื่อชาติไทยของเราไม่เคยเป็นขี้ค่าของใครเป็นเอกราชมาตั้งแต่ดึกดำบันเพราะเหตุใดเพราะพระปีชาสามารถในการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้ายุงหัวรัชกาลที่หในยุคสมัยนั้นจนมาถึงยุคสมัยของพวกเราพวกเราจะให้เดินตามหลังชาติบ้านเมืองที่เขาเป็นประชาธิปไตยใหม่อย่างพวก เราท่านทั้งหลายเห็นถ้าพวกเราเดินตามหลังเขานี่แสดงว่าพวกเราไม่พัฒนาไม่มองให้ไกลหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทุกท่านทุกคนทั้งหลวงพ่อด้วยต้องมองดูให้รอบค่ารอบรอบด้านรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบรอบคอบก็คือปัญญานี่แหละ แต่ให้รอบรอบอีกทุกด้านเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ว่าเราเข้าประชาคมอาเซียนเข้ามาแล้วเดินตามหลังประเทศเขาการศึกษาก่อร้าหลังการอะไรก่อร้าหลังผลที่สุดก็เลยการบ้านการเมืองกับมีแต่ถกเถียงกันใครจะทำอะไรขึ้นไปกระดึงกระตุกขากันไว้ที่หลวงพ่อพูดใน หนังสือที่หลวงพ่อได้พูดว่าถ้าหากว่าพวกเราถ้าแบ่งกันดีได้ดีทุกคนถ้าแข่งกันดีได้ดีบางคนถ้าแย่งกันดีไม่ได้ดีสักคนเพราะมันแย่งกันดีมันจะดีได้อย่างไงใครจะขึ้นไปกระถกขากันไว้ผลในสุดไม่ได้ดีสักคนถ้าแบ่งกันดีนี่ ผู้ใหญ่ผู้น้อยให้รูให้รู้จักกันสัมมาคาระวะถ้าแบ่งกันดีได้ดีทุกคนผู้ใหญ่ก็มองผู้น้อยผู้น้อยก็มองผู้ใหญ่แบ่งกันตามสัด ต, ตามส่วนที่พวกเราจะได้รับถ้าแบ่งกันดีก็ได้ดีถ้าแข่งกันดีแหละถ้าแข่งกันดีปัดแข่งปัดขาก็ไดีดีเป็นบางคนเหมือนกับแข่งกีฬาอย่างนั้นถ้าแข่งกีฬาเป็นร้0ยร้อยทีมก็ได้ดีเหมือนโดดเด่นก็มีคนเดียวใช่ไหมทีมเดียวหรือคนเดียวชนะ ได้ดีคนเดียวได้ดีอยู่ได้ดีคนเดียวถ้าแข่งกันดีถ้าแบ่งกันดีได้ดีทุกคนถ้าแย่งกันดีใครจะดีก็ดีไม่ได้ตัดแข้งตัดขากันเอาไปมาก็เลยชรลนวุ่นวายกันไปหมดในชุมชนในกลุ่มของพวกเราไม่ได้ดีสักคนแหลกลานไปหมดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะเหล่าทหาร ทหารอากาศท่านมีท่านผู้การเป็นประธานในวันนี้นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเป็นวันสมโภชครบรอบ25ปีของพระพุทธนภาดุลยศาสาศดานาว า, าศัสดาอากาศนาวามงคลนโอ้ชื่อยาวเหลือเกินหลวงพ่ออ่านจนลายตา <c oughs> เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์เจ้านโมทนาให้พรนะตีเนาะให้พวกเราอุทิศส่วนกุศลไอ้พวกเราอุทิศส่วนกุศลคำว่าอุทิศส่วนกุศลคํานี้ก็คือในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าการอุทิศส่วนกุศลคืออย่างตระกูลของเราหลือครอบครัวของเราเนี่ยวะ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระ ข, ของท่านดํารงวงศุลประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มร ด, ดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คล้ายๆว่าพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วให้พวกเราอยู่เบื้องหลังให้ทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านแต่บัดนี้พวกเราได้มาทำบุญในช่วงนี้เป็นทําบุญให้กอง ออกองทัพอากาศ เ, เมืองอุดรของเราได้ทำบุญก็ให้อุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการคุณคือกองบินของเราที่ตั้งแต่ตั้งกองบินมากี่ปีแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ททก่อตั้งมาก็ร่วงลับดับขันไปมากต่อมากแล้วก็ผู้ที่ประสบอุบัติเทศเก็มีเพราะว่ามันเสี่ยง กองบินของพวกเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินแต่เมื่อพวกเราได้มาทําบุญอย่างนี้ก็ให้อุทิศวนกุศลว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นในอดีตที่ผ่านมา เ, เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราที่อยู่เบ้างหลังพวกเราได้ทําบุญในวันนี้ถ้าวะดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นสิงสถิยโยนะถินใดตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทําบุญในวันนี้ แต่ว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขจริงๆไปตามความปรารถนาของท่านะ อ, อันนี้คือพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้ก็ค ล, าคลา้ายๆกับข้าขายนั้นเหมือนกัน เ, เมื่อผู้ใหญ่หรือว่าผู้เกี่ยวข้อง ในการสายอาชีพของพวกเราคือทหารอากาศของพวกเราเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วก็ขอให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าว่าตันตกทุกข์ได้ยากถ้าท่านรวยอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นฮะเหมือนกับคนเนี่ยถ้าว่าท่านไม่มีเงินค่ารถนะตกทุกข์ได้ยากเออมารับข้าพเจ้ายินดีที่จะแบ่งเงินค่ารถมอบเงินค่ารถให้ท่านแต่เขาเป็นเศรษฐีแล้วนะ เราก็ไม่ให้เราเัรรวยอยู่แล้วนะตอนนี้ไปพระสง์เจ้าหนุมธนาพวกเราที่ส่วนกุฎนน์คณะสัทธาญาติจโยม